อของเล่นพระอริยะหลวงพ่อเคยใช้พลังจิตเพ่งหลอดไฟแตกนึกให้ต้นมะพร้าวหักมันก็หักนึกให้กิ่งพยอมหักมันก็หักในขณะที่เพ่งดูเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้พลังจิตอะไรทั้งนั้นแหละเพียงแค่นึกว่าต้นมะพร้าวต้นนี้นะมันบังจั่วสาลามองไม่เห็นเท พ, พนมเทวดาช่วยตัดออกให้ด้วย พอเสร็จแล้วโอ้ยมันจะหักทับหัวก็เดินหนีไปพอไปพ้นพอเดินไปห่างจากที่ยืนอยู่นี่ประมาณสักสองวาเสศษต้นมะพร้าวมันก็หักลงมาทับตรงทลายมันทลายผลมะพร้าวทับตรงที่ยืนรอยเท้ายืนพอดีครั้งที่สองยายพวงไปได้กรดซึ่งเป็นมรดกของหลวงปู่พระครูวิโร์รัตนโนบนุ หรือบุญรอดนันทโรวัดทุ่งสีเมืองก็เอามาให้ทีนี้เราก็ชื่นชมยินดีกับมรดกของครูบาอาจารย์ก็เอากลดไปห้อยกับกิ่งพย้อมไปนั่งสมาธิอยู่น่งได้ชั่วโมงเสร็จเศษพอเลิกนั่งสมาธิมองดูกลดโอ้กิ่งพย้อมมันจะหักก็หุบเอากลดแล้วเดินขึ้นบนกุฏิซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ 4- ห้าวาพอไปเหยียบบันไดขั้นแรก กิ่งพยอมก็หักโครมลงมาหลวงปู่ฟัน่นท่านตำหนิท่านว่าพระอะไรไปเที่ยวหาหักกิ่งไม้หลวงพ่อพุธก็ตอบว่าอา้าวนึกเฉยเฉยมันจะเป็นอาบัติอยู่เหรอหลวงปู่ฟัน่นท่านก็ว่ามันก็เป็นน่ะสิมันมีเจตนาอภินิหารของการปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลามันเกิดมันน่าหลงจริงๆนะ นอกจากมันจะเกิดอะไรแปลกๆขึ้นมาให้เราหลงมันแล้วมันยังมีอีกสิ่งหนึ่งมันอันตรายมากที่สุดคือเพศตรงข้ามพูดกับใครไม่ได้เลยทีเดียวภายหลังมันเนี่ยนึกว่าถ้าคือเล่นต่อไปมันอันตรายก็เลยห่างๆหน่อยอาจารย์ที่สอนสกดจิตท่านก็เตือนว่ามาเรียนฝึกสกดจิตแล้วทาให้เพศตรงข้ามติดปกติดใจนะแล้วไม่เฉพาะแต่เรียนสกดจิต ประตุดงกรรมฐานเนี่ยถ้าใครภาวนาเก่งๆมีภูมิจิตภูมิใจสาวๆมันติดใจนะมันอันตรายลูกสาวพยามานนางตันหานางราคานางอรดีพระพุทธเจ้าจะเสด็จออกพนวดพวกเนี้ยมันจะไปสกัดกัน้นไปพูดยั่วยวนชวนให้หลงผิดคือกิเลสในใจนั่นแหละมันปรุงแต่งขึ้นมาเองด้วยแล้วมันก็เป็นธรรมชาติของสมาธิสมาธิเนี่ย มันมีพลังอันหนึ่งคือความเมตตาความเมตตาเนี่ยมีพลังสูง